สามที่อยู่แม่ก็รกราชการทานเรียกชยัยลูกน้ำเค็มข้าททาเรือไทยฝึกเตรียมเอาไว้ทุกกอง มาหาน้องคนสวยแม่กลองคอยพี่กลับมาเมือม่อสงครานงานวาดบ้านแหลมเคยเที่ยวชมกับชมแฉลมเมือ่อคืนข้างแรมเมษานสงกรา อธิษานรักอยู่ฟ้าหวังเกิดมารวมใจป้อมพระจุนไกลบ้านห่างน้องเมื่อบดมาฟ่าฟ้าขนองได้ยินถึงน้องหรือมา สัญญาฝ่าฟ้าครวนมาจากห่วงหัวใจคือเสียงครวนครวนไห้ทหารเรือไทยยังห่วง ไปบ้านหางนอ้องเมื่อฝนมาฟ้าฟาทนองได้ยินถึงนอ้องหรือไม่ที่ทรงสัญญาฝ้าฟาฝนมาจากห่วงหัวใจคือเสียงครวงหัวนให้ยทหารเรือไทยยาง